สิกขาบทวิพังหนึ่งร้อคำว่าอนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนหนึง่งใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คําว่าจงใจได้แก่ รู้อยู่รู้ดีอยู่จงใจตั้งใจล่วงละเมิดที่ชื่อว่ากายมนุษย์ได้แก่จิตดวงแรกเกิดคือวิญญาณดวงแรกปรากฏขึ้นในคันมารดาจนถึงเวลาตายอัตภาพในระหว่างนี้ชื่อว่ากายมนุษย์คําว่าพรากจากชีวิตได้แก่ตัดทําลายชีวิตดินซีตัดความสืบต่อคําว่า สแสวงหาสัต์ราอันจะพรากกายมนุษย์นั้นได้แก่สแสวงหาดาบหอกฉมวกหลาวค้อนหินมีดยาพิษหรือเชือกคำว่ากล่าวพ น, นาคุณความตายได้แก่แสดงโทษในความมีชีวิตอยู่พ น, นาคุณความตายคำว่าชักชวนเพื่อให้ตายคือชักชวนให้นำมีดมา ให้กินยาพิษหรือให้เอาเชือผูกคอตายคำว่าท่านผู้เจริญเป็นคำร้องเรียกคำว่าจะมีชีวิตอย่างลำบากยากแค้นนี้ไปทำไมท่านตายเสียดีกว่านั้นมีอธิบายว่าชีวิตที่ชื่อว่ายากแค้นคือเทียบชีวิตของคนมั่งคั่งชีวิตของคนขัดสนก็ชื่อว่ายากแค้นเทียบชีวิตของคนมีทรัพย์ ชีวิตของคนไม่มีทรัพย์ก็ชื่อว่ายากแค้นเทียบชีวิตของพวกเทวดาชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็ชื่อว่ายากแค้นที่ชื่อว่าชีวิตลำบากได้แก่ชีวิตคนมือขาดเท้าขาดทั้งมือและเท้าขาดหูแหวงจมูกวิ่นทั้งหูแหวงและจมูกวิ่นมีชีวิตยอยู่อย่างยากเข็นเช่นนี้ไปทาไมตายเสียดีกว่าอยู่คำว่ามีจิตใจอย่างนี้ได้แก่จิตคือใจ ใจคือจิตคำว่ามีดาริในใจอย่างนี้คือมีความมั่นหมายจะให้ตายมีเจตจำนงจะให้ตายมีความประสงค์จะให้ตายคำว่าโดยประการต่างๆคือโดยอาการสูงต่ำคำว่ากล่าวพนาคุณความตายได้แก่แสดงโทษของชีวิตพนาคุณความตายว่าหลังจากตายแล้วท่านจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จักเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิปในที่นั้นคำว่าชักชวนเพื่อความตายคือชักชวนให้นำมีดมาให้กินยาพิษให้ใช้เชือกผูกคอตายให้โดดลงบ่อลงเหวหรือที่ผาชันคำว่าแม้ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคตรัดเทียบเคียงกับภิกษุสองรูปแรกคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่า ภิกษุผู้จงใจพรากกายมนุษย์เสียจากชีวิตย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรเปรียบเหมือนแผ่นศิลานาแตกออกเป็นสองเสียงจะประสานให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกันอีกไม่ได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคำว่าหาสังวาสไม่ได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทาร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกัน ความมีศิกขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาสสังวาสนั้นไม่มีกับภิกษุรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาสมิได้